อยู่ที่จิตอยู่ที่สติการภาวนาถ้าเรามีสติมันก็เป็นภาวนาทั้งนั้นแหละนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีทํางานอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีถ้าเรามีสติก็เป็นการภาวนาการภาวนานี้ มันสำคัญอยู่ที่สตินะเบื้องต้นเราก็ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภาระหน้าที่การงานทุกอย่างเราปล่อยวางหมดอย่าไปคิดมันอดีตที่ผ่านแล้วมาแล้วเราก็แล้วไปอนาคตยังไม่มาถึงเราก็ปล่อยไว้เอาปัจจุบัน คิดดูสิห่ะพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะได้ตรัสรู้นั่นน่ะท่านก็เอาปัจจุบันธรรมนั่นแหละคืออะไรละ่ะคือกําหนดกําหนดลมอัศสาสะอัศสาสะนะแต่ก่อนนั่นน่ะลมเข้าลมออกนั่นแหละท่านดูตัวเนี้ยเพราะจิตมันไปคล้องอยู่นั่นคล้องอยู่นี่อันนี้ของเราก็เหมือนกันเราคลองฆราวาดอย่างเราเป็นฆาราวาสแล้วมันก็ต้องไปคล้องอยู่นั่นคล้องอยู่นี่ บัดนี้เรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางไว้ก่อนอทำยังไงมันจะปล่อยจะวางได้เราก็ต้องหาธทรรมบทใดบทหนึ่งมาพิจารณามาบริกรรมจเจ้าพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้แล้วแต่จริตทิส 8, 000, 4, 000. ัยแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์มันไม่อยู่ไกลนะอยู่กว่วงศอกนาวายาวานาคือปริมณฑนนี่แหละเออ อันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตู้นั่นนันเป็นหนังสือเป็นอักษรจารึกเฉยๆอย่างคำว่าทุกนะทุกตัวเดียวนี่แหละถ้าเราอ่านจนปากสีกมันก็ไม่เป็นไรนะเราว่าทั้งวันก็ไม่เป็นไรถ้ามันมมนทุกอยู่ที่ใจหรือทุกทุกอยู่ที่ร่างกายเนี่ยเอออันเนี้ยเหตุนั้นท่านจึงว่าพาวิตาบาโมลิกาตาทาให้มากเจริญให้มาก ทำมันจะทําไงมันจะเจริญให้มากเราก็ต้องมีสติกำหนดดูมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นพิจารณาดูให้มันรู้เห็นตามสภ า, ภาวะความเป็นจริงของมันอย่างความทุกข์อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยมันเจ็บนั่นเจ็บนี่แล้วก็ย้อนเข้ามาโอปะนายโกน้อมเข้ามามาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นทุกข์ ร่างกายเขาเป็นทุกข์หรือหนังเป็นทุกข์หรือกระดูกมันเป็นทุกข์แล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาพิจารณาย้อนเข้าย้อนออกดูอย่างคนตายเนี่ยเอาไปเผามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดนะมันสำคัญอยู่ที่ใจใจเนี่ยสำคัญใจเป็นใหญ่เหตุนั้นท่านจึงให้มาพัฒนาใจดูใจของเรา ให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันหลงไปตามตามสัญญาลมไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้เหตุะนั้นท่านจึงว่าให้มาภาวนาให้มาพัฒนาใจให้มันรู้ให้มันเห็นความเจ็บความปวดมันก็เป็นของธรรมดาเราจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นมาเขาก็เจ็บเขาก็ปวดอยู่งั้นโรคท้อง ของเหล่านี้มันประจําอยู่ในโลกนี้นะเฉะนั้นทํายังไงเราจึงจะไม่ให้มันมีความแก่ความเจ็บความตายอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มาพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละท่านก็มาพัฒนาใจของท่านเออคือให้พิจารณาทบทวนเข้าทบทวนออกแล้วก็ให้มันเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายให้มันคลายความกําหนัดไม่อยากมาเกิดอีกมันก็ มันก็ไม่ทุกข์ท่านแหละคนเร า, เามันอยู่ที่นี่แหละสิ่งในนี้มันเกิดเป็นทุกข์เราก็สวดอยู่แล้วตอนเช้านั่นนะความเกิดเป็นทุกข์ความเจ่เป็นทุกข์ความชราเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นแต่เรามันใจเรายังไม่เห็นเรายังสัญญาความจำของเราเอาสัญญาไปความจาไปนั่น มาเป็นของเจ้าของมันก็ไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงว่าสัญญาณิจาสัญญาไม่เที่ยงถ้ามันพิจารณาให้มันเกิดเกิดนิพิธาความเบื่อน้อยแล้วมันมันไม่สนใจหรอกสิ่งเหล่านี้ อ, อ, อย่างปัจจัยเครื่องอาศัยที่เราสวดอยู่นั่นนะ่ะอีวอบินทบาตอาหารการฉันเมื่ออาหารการกิน เสนาสนะสะอยู่บ้านอย่างงี้แล้วทีแล้วนับเปิดใจเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยอาศัยระหว่างช่วอายุไขเมื่อผ่านไปแล้วก็แล้วไปของสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของเราเราเกิดมาเราก็มาอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยที่พักอย่างพระภิกษุสามนเณรก็อาศัยกุฏิ สมมุติว่าเป็นกุฏิอย่างบ้านแต่สมมุติว่าเป็นบ้านที่อาศัยนั่นหรือท่านจึงว่าเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเราอาศัยไปชั่วระหว่างเหตุฉะนั้นร่างกายสังขารนี้ท่านจึงเปรียบเสมือนกับต้นกล้วยหรือว่าเปรียบเสมือนว่าของที่เรายืมเขามาใช้ระหว่าง เรายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเมื่อหมดอายุไขแล้วก็ต้องคืนให้เขาอย่างธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟก็ไปสู่ไฟธาตุลมก็ไปสู่ลมนั่นธาตุทั้งสีเขาไม่สามัคคีกันแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าธาต ใดธาตุหนึ่งสมมติว่าธาตุไฟมันแรงเกินไปมันก็เกิดความเจ็บความไข้ท่า น, นเขาเรียกว่าสมมติว่าสมมติว่าเป็นความไข้ถ้ามันทนไม่ได้จริงๆมันก็ต้องไปแต่ใจเนี่ยสาคัญใจนี่ไม่ตายสมมติว่าไฟไม่บ้านเราเราจะไปนั่งให้ไฟไหม้ได้อย่างไรเราก็ต้องกระโดดนี้ที่ อ, อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาเข้าจริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย ใจยันไม่ตายถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกุงามความดีไว้มากก็ไปสู่สุคติเออถ้าเราสร้างความชั่วไว้มากก็ไปสู่ทุขติ<อ>แค่นี้เห<อ>ตุนั้นถ้าเราสร้างไว้มากๆให้มันมากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายเออนั่น อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายท่านเคยสร้างขึ้นเคยบำเพ็ญบารามีมาเหตุฉะนั้นเราเกิดมาชั่วอายุไขัยปะเดียวป่าดาวเออท่านจึงว่าเปรียบเสมือนว่าต่อมนม้ําชีวิตของคนน่ะนะเปรียบเหมือนต่อมนม้ํามันพองขึ้นแล้วก็แตกไปมันพองขึ้นแล้วก็แตกไปอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของคน มันไม่ยาวนานนะถ้าเราย้อนพิจารณาคืนไปเลยเหตุฉะนั้นเวลาเรานั่งเราจะกำหนดส่วนไหนของร่างกายมาพิจารณาให้มันเกิดอสุภะอาสุพังความไม่สวยไม่งา ม, มแต่แล่นี้เราหลงสิ่งไหนเราก็ต้องเอาส่วนว น, นั้นออกมาพิจารณาให้มันเกิดนิพพิทาเมื่อพิจารณาแล้วมันเหนื่อย เวลาเราภาวนามันเหนื่อยเราก็ย้อนเข้าไปพักซสียก่อนเหมือนกับชาวบ้านหรือชาวโลกเขาทํางานนั่นแหละเขาทํามันเหนื่อยแล้วเขาก็ต้องพักผ่อนรับประทานอาหารเมื่อมีกําลังเขาก็ทํางานต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนั่งตลอดลุ่งก็ได้นะไม่ได้ไปพิจารณาไม่ไปสนใจละอะไรละส่วนร่างกายนั่นแนหะความเจ็บความปวดก็เป็นเรื่องของเขาเหตุฉะนั้นหลวงปู่บัวที่บ้านหนองแสงวัดหนองแสงท่านจึงว่า ให้เรา น, นั่งให้มันเลยทุกข์ให้มันเหนือทุกข์เหตุฉะนั้นในอริยสัจ ส, สีนะ่นั้นจริจงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของเลิอดทุกเป็นของประเสรศิฐเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วท่านให้เอามาพิจารณาเอามาขี่คลายเอามาพิจารณาขี่คลายให้มันรู้เห็นตามความสภาวะความเป็นจริงไม่ใช่ว่า เมื่อมันเจ็บมันปวดแล้วก็จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังพลิกหน้าพลิกหลังอันนั้นอ่ะมันมันกบทุกเออมันเลยไม่ไม่รู้ทุกเหตุฉะนั้นให้นั่งให้มันรู้ทุกเห็นทุกแล้วก็พิจารณาย้อนไปทุกมันเกิดจากอะไรแล้วก็ย้อนเข้าไปอืมมันต้องมีอืมมันต้องมีเชื้อเออมันจึงเกิดได้ถ้าไม่มีเชื้อไม่ไม่มันไม่เกิดหรอกทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกัน มันต้องมีเหตุอย่างเรามาประปฏิบัตินะเราก็ต้องมีเหตุเหตุอะไรก็ับเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อว่าการประปฏิบัติการภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลจะรักษาศีลก็ตามทานก็ตามม า, มารวมอยู่ที่การภาวนาทั้งนั้น เ, ออเป็นบุญใหญ่เหตุฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาทาที่เราทำเนี่ยทำเพื่อความสามัคคีกัน นะที่มารวมกันเนเมื่อเราแ ย, ยกออกจากหมู่จากคณะแล้วก็เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเหตุฉะนั้นการภาวนานี่เวลาจะออกจากภาวนาท่านจึงให้พิจารณาดูเราบริกรรมบริกรรมภาวนาเอาธรรมบทไหนมาพิจารณาเวลาจะออกหรือเวลาจะถอนออกจากสมาธินั่นนะจึงให้พิจารณาดูเสียก่อนอย่าไปวุ่นวามออกถ้าวุ่นวามออกแล้ว เมื่อเราจะไปทำต่อที่ภาคที่อาศัยของหรือที่บ้านเนี่ยมันทำไม่ได้มันติดมันไม่ติดต่อกันเหตุฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเมื่อเราภาวนานี่ยมันได้แล้วสบายนะไม่ใช่ไม่สบายนั่งตลอดรุ่งก็ได้เออไม่เชื่อลองทำดูอย่าไปสนใจในความเจ็บความปวด นั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราภาวนาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับอยู่นั่นแหละมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงให้เราย้อนเข้าสู่ตายลักอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นเป็นทุกข์มันเป็นอยู่งั้นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนบอกว่าบอกว่าอย่ามาไว้าไม่ฟังเขาเป็นอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ เราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นมันสำคัญอยู่ที่เราศรัทธาถ้ามีความเชื่อแล้วมันต้องมีวิริยะความภาพเพี้ยนจะทำงานการอะไรอยู่ก็ตามการภาวนานี่ได้ทั้งนั้นสำคัญอยู่ที่สติถ้าสติมีสติก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นแหละ เราทำงานอะไรก็ตามเราจะดำนาอยู่ก็ตามเราทำอะไรก็ตามอยู่ที่สติถ้าสติพร้อมแล้วกับเป็นภาวนาทั้งนั้นแหละเออนี่แหละนี่แหละสิ่งสาคัญที่สุดการภาวนาเพี่ยฉะนั้นท่านึงย่ำํ่ำลงที่สติการภาวนาเนี่ยถ้าขาดสติแล้วกับเป็นก็ว่า ขาดการภาวนาเรียกว่าขาดภาวิตาบโหลิกาตาคออาว่าภาวิตาบาโหลิกาเนี่ยกาตาเนี่ยทำให้มากจเจริญให้มากอยู่ที่ใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเหตุฉะนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติอย่าไปสนใจอย่างอื่นอย่างยุงมันจะมากัดอย่างนี้ก็เราก็เรียกว่าฐานะปารมีเสียทานมันไปเสียเออนั่น มันก็บสบายไปเราไม่สนใจมันมันไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราสนใจอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันเนออันนั้นเราสำคัญเรามาติดในสมมติอะไรก็ของกูอะไรก็ของกูทุกสิ่งทุกอย่างของกูหมดผลสุดท้ายเวลาเราตายไปไม่ได้อะไรเออแม้แต่กระดูกของเราก็ยังไม่ได้เอาไปนั่นแต่เรามาหลงหลงในสิ่งเหล่านี้แหละเหตุฉะนั้นเราจบเพิกสมมติ ท่านจึงว่าเรียกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรเหมือนกับทะเลหลวงเราว่ายอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ละคนนะอมอตนาภาราเวปัญจขันธหาปัญจขันธ์นทั้งหลายเป็นภาระจริงๆริงภาระในการรักษาภาระในการเยี่ยวยาหาใสหาเยี่ยวยามันอยู่นี่เป็นทุกข์เป็นยากยู่นี่ ต้อทุกข์เพราะอะไรก็เพราะความเกิดนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลถ้าเราไม่เกิดมันมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยสําคัญอยู่นี่เหตุฉะนั้นให้เราตั้งใจประฤปฏิบัติเนี่ยวัดของเราเกามีศรัทธาญาติโยมมารวมกันทําวัดแล้วก็นั่งสมาธิเออรวมกันเป็นบุญเป็นกุศลของเรานั่นแหละไม่ใช่ของคนอื่น ใครทำใครก็ได้นะใครไม่ทำใครไม่ได้เหมือนกับสำหรับอาหารนี่แหละเรายกมาแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่สำเร็จจิตถ้าเรารับประทานมันก็อิม่มถ้าเราไม่รับประทานมันก็ไม่อิม่มอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาเป็นหน้าที่ของใครของมันจะทำให้กันไม่ได้บุญกุศลเนี่ยเราสร้างเอาทาเอา ไม่ใช่ว่าคนแก่คนหนุ่มหรือคนอะไรทาได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าพระภิกษุสามาเณรทำได้ทั้งนั้นการปฏิบัติอย่างเป็นพระภิกษุสามาเณรอย่างนี้ก็มีเวลามากกว่าขร า, าวาสหน่อยเพราะฆร า, าวาสเป็นคนผู้ที่ครองเรือนเนื้อภาระมันมาก อ, อย่างพระภิกษุสามาเณร น, นี่เวลามาก เราจะไปอ้างเวลานะการประพฤติปฏิบัติมีเวลาของเราการประพฤติปฏิบัติเวลาเกิดเรายังมีสมมุติว่านายก่เกิดเวลานั่นนายขอเกิดเวลานี่เนะี่ยมีเวลาการจะเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติเร า, อ, าอ้างนั่นอ้างนี่ไม่มีเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั่นนะเป็นเป็นเรื่องของกิเลสเราผายแพ้มันแล้วน่นนะ เหตุฉะนั้นน่ะท่านจึงไม่ให้อ้างการให้ไม่ให้อ้างเวลาการประปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทั้งนั้นแหละจะอยู่บ้านก็ทำได้อ่มีเวลาดึกดึกมาน่ะเงียบเงียบเราลุกขึ้นมานั่งไหว้พระ ย, ย่อๆนะอย่างอาตมาเคยอยู่กับลุงปู่เท่าที่ดอยแม่ฟังนั่นน่ะท่านพอตีหนึ่งตีสองท่านลุกขึ้นมาแล้วมาไหว้พระของท่าน นั่งสมาธิของท่านถ้าองค์อื่นไปอยู่ท่านไม่ไม่ทานะเพราะฉรนันจลนิสัยม่นเหมือนไม่ไม่ถูกกันนะคือครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าจลนิสัยไม่ถูกกันท่านไม่ยอมให้อยู่ด้วยหรอกอเปไปอย่างนั้นมันขัดข้องภายในอืมฉะนั้นนะ่ะมันสาคัญนะ่ะเรื่องธรรมในะเรื่องภายในนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน เราประพฤติปฏิบัติเหตุแต่นั้นท่านจึงว่าโอปัญญโกโน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามากล้องสอกยาวานะคืบปริมนทนส่วนไหนเราขี้คายมันยังไม่แตกไม่เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายแล้วก็เอาส่วนนั้นล่ะมาพิจารณาอย่างเราติดในผมเราก็เอาผมมาพิจารณาว่ามันสวยมันงามอืมถ้าว่ามันสวยมันงามมันไปตกในอาหารกับข้าวเราจะรับประทานได้ไหม เราไปเห็นแค่นั้นนะถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาเข้าพิจารณาออกย้อนไปย้อนมามันมันจะเห็นของมันเองหรอกเออถ้าเห็นแล้วเออสบายแล้วมัน <c oughs> เราไม่ไปหลง <c oughs> เดี๋ยวนี้ยังเรายังหลงอยู่หลงว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเออเรายังไม่ป่วยไข้นั่นมันหลงอยู่แค่นี้ เวลาเก็บไข้ก็มาแล้วเอาล่ะใจเสาะ น, นั่นเป็นอย่างนั้นคนเราเอจะนั้นท่านจึงว่าเหตภาวนาทําให้มันรู้ไว้ก่อนนะจะนั้นท่านจึงนั่งให้มันเลยทุกข์ให้มันเห็นทุกข์ถ้าเลยทุกข์เห็นทุกข์แล้วเออเวลามันจะตายเนี่ยิ่งทุกข์ยากทิ้งทุกกว่านี้นะทุกข์จนอยู่ไม่ได้จนตายเนี่ยจะนั้นอ่ะ อย่างพระพุทธเจ้าท่านก่อนท่านจะไปนิพพานท่านย้อนเข้ามาดูที่จิตมันจะออกนั่นนะ่ะเออวิญญาณมันจะออกจากกายนั่นนะ่ะดูดูตัว น, นั้นเอออย่างหลวงปู่เท่านั่นนะก่อนท่านจะมรณภาพอน่ยท่านกำหนดอยู่นั่นแหละตั้งแต่นุ่นละตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มยี่สิบนาทีท่านจึงละสังขารไปนุ่นท่านกําหนดย้อนไปย้อนออกย้อนเข้าอยู่ น, นั่นแหละเวลา เข้าไปเยี่ยมท่านเดินค่อยเดินเข้าไปนี่แหละมันเป็นพื้นพรมเป็นพื้นปูนเข้าไปท่านก็ลืมตาดูพอรู้รู้จักว่าคนนั้นแหละท่านก็หลับตาท่านก็พิจารณาย้อนเข้าย้อนออกเหมือนกับพุทธเจ้าก่อนท่านจะเข้าสู่ปรินิพานนั่นน่ะท่านย้อนออกย้อนเข้าจนว่าย้อนไปถึงรูปปัจจันทร์สี่รูปปัจจันทสี่แล้วก็มาถึงอัูปปัจจันทร์สี่ยตุปา อยู่ปุตะชานนะกันยิงท่านจึงละสังขารท่านจึงเข้าสู่พระนิพพานนั่นท่านไม่ได้ไปไม่ได้ลืมสติเหตุ น, นั้นการภาวนาเนี่ยสตินี่สาคัญการภาวนาเวลาเรานั่งเนี่ยเดี๋ยวกันนั้นก็นั่นมันงานเยอะแยะเออมันพาห น, น้ะเรื่องของกิเลสอันนั้นก็ยังไม่ได้ทาอันนี้ก็ยังไม่ไทํานั่น มันฟองไปเรื่อยๆแหละ เ, เดี๋ยวก็มานั่งเดี๋ยวก็จะว่าหาว่าเสียเ ว, เวลาแล้วแต่มันจะคิดไปแลนลนะเรื่องของกิเลสพอนั่งอยู่ไม่นานแล้วเดยก็ยุกยุกยิกงแล้ว น, นั่นแ่ะถ้าเรามีสติมีขันติความอดทนนั่นเราก็สู้ได้นะอย่าให้มันเป็นขันแตกถ้าขันแตกเราสู้ไม่ได้เดี๋ยวกับ เอานั่งประเดียวประดา้าแล้วก็ลุกละเปลี่ยนอิริยาบถละเอาแล้วละมัเลยไม่เห็นทุกท่านจึงว่านั่งให้มันเห็นทุกให้มันเลยทุกมันจึงจะรู้ว่าเอาสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงมันจะเป็นตามไปที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไมมเนี่ยเราต้องดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยแตนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วนะเออ เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาศาสน า, าที่สอนเอาความจริงมาสอนเอาความจริงมาพูดอืมใครจะตัดศรัทธาก็ตามไม่ศรัทธาก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามท่านสอนไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วอืมถ้าเราประพฤติธปฏิบัติตามที่ท่านว่านั้นนะตามที่ท่านสอนไว้มันก็ผลก็เกิดขึ้น เหตุ females. สำคัญอยู่ที่เหตุสร้างเหตุให้มันพออย่างลวงปู่มั่นตาดท่านว่านาเรามันลกเราจะไปทำนาคนอื่นก็ไม่ได้นาของเราอันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยได้สร้างบาร e. มาีหรือว่าเราเค like <mar Episode 1. S 2> ยประพฤติปฏิบัติมาหรือไม่เวลาทำใหม่ๆมันก็ยากทั้งนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติ เหมือนเขาฝึกว่าเปลือกปลายใส่ลอ้อใส่แกนใส่ไถนี่แหละมันก็ยากเป็นของธรรมดาเพราะว่าจิตอันนี้มันเคยไปตามสัญญาอารมณ์ปล่อยไปเรื่อยๆมันจะคิดยังไงก็ปล่อยไปตามยถากรรมเราไม่เคยดึงเข้ามาไม่เคยน้อมเข้ามาเออเมื่อเราพามันภาวานามันก็เดี๋ยวก็แวบไปนั่นแล้วก็แวบไปนี่ ไม่อยู่ในไอ้คำบริกรรมนั่นผ้าบังคับเข้ามากๆเอาละดินแล้วบัณน์เออเจ็บนั่นปวดนี่ไม่แล้วจะปวดขี้ปวดเยี่ยวแล้วเออถ้าเราตั้งสัจจะสำคัญอยู่ที่สัจจะบาลมีนะการระพฟืดปฏิบัติพอนั่งแล้วมันจะขี้จะเยี่ยวมันจะอะไรก็ปล่อยให้มันนั่นแนหะขนาดแม่ของเราเราแต่เรา ยังเล็กอยู่นี่ยนะเราไปขี้ไปเยี่ยวใส่ท่านก็ยังซักให้เราได้ของของเราแท้ๆเราจะซักไม่ได้หรือท่านเราเราสอนเราเองเออมันก็นั่งได้เในบ้านนี่เออพิจารณาได้แต่ว่าไม่ใช่ว่านั่งให้มีสตินะถ้านั่งไม่มีสติก็เหมือนกับหัวต่อนั่นแหละถ้ามันนั่งแบบไม่มีสติเหมือนหัวตอมันกับหัวต่อยู่กลางทุ่งนานี่ยนะมันก็ ได้สำเร็จมรรคผลทั้งนั้นเนี่ยเหตุฉะนั้นสำคัญอยู่ที่สติการฝึกปฏิบัติให้เราตั้งใจอย่างเราจะมาไหว้พระอย่างเงี้ยให้เราตั้งใจตั้งศรัไม่ให้ขาดทุกวันเออจะเรามาทำรวมตอนเช้าเราอยู่บ้านเราก็ทำของเราต่างหากเอออันเนี้ เราจะให้ขาดการไวรวนนหรไว้พระสําคัญน่ะสวดมนต์หรือไหวพระสวดมนต์สวดทำวัดเนี่ยเวลาจิตเราฟุ้งซ่านเราก็ดึงจิตเข้ามาจิตถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ว่าไม่ได้หรอกสวดมนตนะ์อ่ะเออมันฟุ้งซ่านเฉะนั้นนะ่ะการไหว้พระหรือการสวดมนต์เนี่ยเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งการถาการสาตยายธรรมเห็นไหมที่พระโมกขาลานะท่าน ก่อนท่านจะได้ตัตรุ้นนะ่ะท่านก็ออาศัยธรรมอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นนะ่ะถ้ามันง่วงเราก็สาธยายธรรมหรือพิจารณาธรรมบทใดบทหนึง่งให้มันรู้แจ้งเห็นจริงนั่นจิตมันก็จะย้อนเข้ามาดอถ้าเราปล่อยมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆแหละ เพราะว่าเรามีภาระอย่างค้าราชามีภาระมีการงานเราก็ต้องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้กินไม่ได้ทานเรอาอก็ทั้งทั้งททั้งทานทั้งกินเนี่ยมันสาคัญนะอ่ะอ้าวต่อไปนี้ก็ กำหนดพิจารณาแล้วฟังอุบายทมแล้วแล้วก็เราก็ฟังฟังทำกำหนดเวลาเราจะออกจากสมาธิเราอย่าไปรีบจะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงเร า, เ, าเดี๋ยวนี้เรากำหนดทมบทไหน จิตเราจึงเป็นสมาธิจิตเราจึงไม่ฟุ้งซ่านเราก็เอาทําหมดนั่นแหละก่อนเราจะออกเราก็ค่อยๆถอนจิตออกนะรา้าเราไปรีบถอนมันกเ็เลยลืมฐานมันที่ตมาเคยไปเรียน<ม>ไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อพระครูสีภูมานุรักษ์นะันะนะท่านะนะว่าอย่างนี้ ก่อนเจ้าออกอย่าไปรีบออกให้ดูจิตของเจ้าของก่อนหรือว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อจิตมันยังฟุ้งซ่านจิตยังไม่เป็นสมาธิยเราอย่าไปรีบออกต้องนั่งจนน้อให้จิตมันเป็นสมาธินั่ น, นแหละแล้วจึงออกออกละเวลาเราจะทำต่อวันใหม่เราก็พิจารณาทาบทนั้นนั่นแหละที่เราเคยมาบริกรรมนั่นอ่ะจิต จึงเป็นสมาธิถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต่อเนื่องออทาไม่ต่อเนื่องท่านว่าทาไม่ต่อเนื่องมันก็เลยเกิดฟุง้งซานละบันเกิดความลำคาญหงุดหงิด ม, มันก็เป็นของธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของอนิจจ อ, อมันไม่เที่ยง บางครั้งมันเกิดศรัทธาแรงเวลานั่งมันก็สบายจิตก็เป็นสมาธินั่งตลอดลุ่งก็ไม่เป็นไรสบายไถ้าวันไหนจิตมันฟุง้งซ่านเอาละมันี่ย เ, เกิดง่วงงาวนอนอให้เรานึกว่าเรานอนม า, มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่เราวันเราเกิดเรานอนตั้งวันแ บ, บนนเบาะนนัมันได้มรรคผลนิพพานไหม เอานั้นละ่ะมามาย้อนมาพิจารณาอมาสอนเราเองนะคือให้คนอื่นสอนมันมีโกรธมีเกียรตมีรักมีชังนะถ้าเราสอนเราเองเนี่ยไม่เป็นไรนะสบายบังคับเราอย่าให้คนคนอื่นบังคับถ้าคนอื่นบังคับมีโกรธ ม, มีเกียรตถ้าเราบังคับเราเองไม่เป็นไรนะบังคับเข้าเถอะบังคับเข้าสู่คุณงามความดีอนะ ไม่เป็นไรหรอกความชั่วนั้นน่ะไม่บังคับมันก็ไปเองเหมือนกับน้ําเนี่ยไม่บังคับมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ําจิตใจของเราก็เหมือนกันเอออย่างเราจะสร้างคุณงามความดีดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราผักน้ําขึ้นที่สูงเออมันยากเออเพราะจิตใจเรามันเคยหลายภพหลายชาติมาแล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะมาเกิดในชาตินี้พบนี่นะคนเราอะถ้าเราสร้างกรรมไม่ดีมันก็เกิดไปเป็นสัตว์อย่างอื่นออถ้าเราสร้างบุญกุศลมีเทวทาธรรมอยู่ที่ใจออมีศินห้าอยู่ที่ใจมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ออได้บ่อยพื่ปฏิบัติสร้างคุณงามความดีไปอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกัน พระพทธเจ้าไม่ได้สอนสัตว์เดรัจฉานนะท่านสอนมนุษย์ผู้ที่สมควรเออจะประพื่ปฏิบัติได้นะเรียกว่าทางพอที่ทางไอ้อย่างใจของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับระหว่างกลางระหว่างทางกลางเนี่ยสอนมนุษย์นี่แหละ ให้ไปสวรรค์ให้ไปสู่พะนิพานได้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาไม่มีปัญญาถึงว่าเขามีความทุกข์ความเจ็บความปวดความเจ็บความไข้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะมาประพฤติปฏิบัติเหมือนมนุษย์ของเราอนแต่นั้นท่านยังว่ามนุษย์แต่ว่าผู้มีใจสูง อพอมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์อื่นให้เราภูมิใจเพราะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว